นี่น้องเขียนจับเกิดดานสี่ทุ่มเกิดดานสี่ทุ่มเราไม่ช่วงนั่งภาวนา น, นานๆเ น, น, นี่ยดีได้ต่อสู้ทำอะไรถ้าเราไม่ได้ต่อสู้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 เรามันรู้จะไปแก้อะไรเพราะมันมองไม่เห็นก็เหมือนอย่างที่ว่ากันอ่ะเหตุอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่เราไปว่าอีกเหตุอย่างหนึ่งเหตุอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่เราไปว่าอีกเหตุอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยี่ปุถุชนเราก็ชอบสุ่งเดารู้รู้ไปโยของนี่คาดคาดเดาเดแต่ก็เชื่อเอาคาดคาดเดาวๆาแล้วก็เชื่อเอาทั้งทั้ที่เชื่อเอาอยู่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 โอ้ชัดเจนเลตอนนี้ปักใจเชื่อเต็มร้อยนี่ศัจธรรมตัวนี้สัจธรรมตัวนี้เลยมันเป็นสัจธรรมที่มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ท่านนำมาเปิดเผยสภาวะธรรมตัวนี้ยเป็นสภาวะธรรมที่พระองค์ทรงมาเปิดเผยเพอเปิดเผยขึ้นมาปั๊บทาให้พระองค์หลุดพ้นจากกรงไขความวิตติสงสา ร, ร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 เราก็หัดเอามาพิพิจารณาโอ้อันนก็ยึดไม่ได้อันนี้ก็ยึดไม่ได้ท่านจึงให้ปล่อยคําว่าปล่อยต้องรู้รู้ปลดรู้เปลื่องรู้ปล่อยการรู้จักปลดรู้จักเปลื่องรู้จักปล่อยเขาเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันรู้เท่ารู้ทันตราบใดที่เรายังปล่อยให้อัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาพลังของตัณหา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 เพราะความสําคัญมั่นหมายนี่เขเรียกว่า mana นะถือเอาถือเอาคือมันไม่อยอมปล่อยเช่นอย่างความรู้เรามีแค่นี้เราก็ยึดเอาเอาเราไปเทียบกับคนนั้นเอ๊ะคนนั้นน่าจะต่ากว่าเราโอคนนั้นน่าจะสูงกว่าเราเทียบอยู่นั้นแหละไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยภูมิที่จะของมีที่เจ้าของเป็นเนี่ยไม่ได้ปล่อยปล่อยไม่ได้ตัวนี้เองคืออะไรมันไปพายุดอัตราตัวตนมันพายุด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 สมุทัยเรายิ่งยึดไม่ได้ยิ่งพิจารณาเห็นหน้าเห็นตาแล้วพยายามปล่อยปล่อยปรล ะ, ละวังด้วยด้วยการวิธีการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นอนิโรดนิโรดคือความดับทุกได้ดับ ท, ทุกขั้นไหนขั้นไหนขั้นไหนดับทุกได้ขั้นโสดาสิกิทาคาอนาคาก็ตายนี่คืออย่างปล่อยปล่อยยังไม่หมด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 มา ก, กับปฏิปทาปฏิปทาแปลว่าวทางดำเนินอเอโกธรมโมทางเส้นเดียวทางสายเดียวสายเดียวเลื่ยวไปสู่ความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์แปรวมลงแล้วเป็นเอโกธรรมโมถ้าเราจะไปแยกทั้งหมดคืออริยมรรคมีองค์แปอริยมรรคหนึ่งมีหนึ่งนะ เต็มใ น, นันมันมีองค์ประกอบแปอย่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะอันนี้เป็นส่วนของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากมรรมตัวสัมมาชโย อ, อันนี้เป็นส่วนของศีลปัญญามากกว่ า, าอันดับอันดับสองสัมมาทิตามมาอันดับสามสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ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 โทษของเสียงโทษของกิ่งโทษของรถโทษของสัมผัสก็เหมาออย่างเรามีความรักเรามีความรักเรามีความชอบใจเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรถเรื่องสัมผัสรวมมาถึงรักเกี่ยวกับอารมณ์กามอารมณ์เนียบุตรักบุตรักสตรีเี้ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรัก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 เปิดเผยสภาวะในโลกให้เป็นที่ปรากฏชัดกแก่เราจิตเราออกจากกางจิตออกจากการก็คือจิตไม่คิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรส เ, เ, เรื่องสัมผัสเรื่องอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงรวมไปถึงว่าอารมณ์ที่ปิดบังความสงบของเรากามฉันทัก พยาปาทะถีนะมิทะอุทะจักโกกุจักวิชกิจชาซึ่งเป็นนิวรนนิวรนเหล่านี้มันมาปิดมันมาคลุมหัวใจของเราสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกามท่านจึงให้ทําใจให้สงบไม่ให้จิตของเราเป็นเรื่อ ง, ร, งรุกลุกลงเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสสัมรสัมผัสตอนนี้เราก็ตะลอมเข้ามาได้เกี่ยวกับเรื่องของสมถะของสมถะทาําใจให้สงบ จากรูปจักเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสทำยังไงรูปธรรมทั้งข้สอนให้เราภาวนาสมถะสมถะทำอะไรคุณจะบรกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโมทำโมทำโมทำโมหรือสังโฆสังโฆสังโฆหรือสมาดาสมมาดาจนใจสนุกหรือเพ่งฌานเพ่งอารมณ์ของฌานเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟ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 เป็นสัมาวาจาแปลว่าเจรจาชอบพูดชอบไม่พูดโกโหกหมดเท็ปสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรกมมันตักกิริยาที่กายการงานชอบสัมมาวาจาวาจาชอบเพราะรูปมาทิการนำเรียนกุจิตพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราออกเสียงมันก็เป็นวาจาวาจาชอบ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 ภาวนาประานอนุรักษณาประธา น, นนี่เป็นหลักโดยตรงเขามันเลยสังวรประทานคือระวังไม่จิตของเราปล่อยให้จิตของเราตัณหามันมาแทรกเข้ามาที่จิตของเราไปรักไปจังไปโกรธไปเกลียดไปดิจฉาไปริษยาไปพยายามบาทปล่อยตกิเลมเข้ามาทลักเข้ามาทับท่วมหัวใจของเราเป็นสังวนสังวรคือระวังระวังก็ถือใช้สติระวัง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 ทางยินสีตาหูจมูกริมกายใจสํารมตาก็คือสํารณใจสํารณรูปก็คือสํารณใจสํารณหัก็คือสํารณใจสํารณเสียงก็คือสํารณใจสํารมจุมูกสํารมกลิ่นสํารณ์ริสสัมรณรสก็คือสํารณใจสํารณกายสํารม์ุณรรก็คือสํารณใจสํารณธรรมารมก็คือสํารณใจเห็นไหย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 อนุรักษนาประธานเจริญกุศลให้เกิดขึ้นกุศลใหม่ที่ยังไม่เกิดพยายามเจริญให้เกิดขึ้นกุศลเก่าที่เคยทำมาแล้วมีมาแล้วสังสมมาแล้วพยายามรักษาเอาไว้ทั้งสี่อย่างนี้เราทำอย่างเดียวเท่ากับเราทำทั้งหมดเราพยายามภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธที่เรียกว่าภาวนาประทานทากุศลให้เกิด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 มันนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเราต้องเอาสมถะมากำกับนีตามมาคือสมาธิคือปัญญาสินสมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าท่านงวาไว้ให้เราปฏิบัติตามลำดับขั้นไม่ตัง้งใจรักษาสินจะมนสมาธิได้ไหมเริ่นได้แต่มันไม่สงบเพราะเราไปสร้างปัญหาเรื่องการผิดสินเนี่ยมันก็เราร้อนเป็นฟืนเป็นไฟยืนก็เผาเดินก็เผานะ เป็นั่งภาวนาภาวนาแต่ปากให้เยอะความผิดศีลตัวนั้นอ่ะมันเผาเราสงบได้ไหมสงบไม่ได้เนี่ยไหมเราพิจารณาอย่างนี้ศีลนี่เกื้ อ, อกูลกับสมาธิไหมเกื้ อ, อกูลกับสมาธิพระยะอุบวิญาณท่านจึงพูดว่าศีลหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาศีลห น, นุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาศีลห น, นุนสมาธิมันหนุนอยู่นี้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 ต่อไปนี้เราจะวิรักจะงดจะเว้นเด็กขาดแน่งดได้เว้นได้นี่มันมีส่วนทั้งทั้งที่เรายังไม่ทำเรายังไม่ทำใจเราไม่เดือดร้อนที่เรามาทำมาแล้วเราก็เห็นเห็นโทษของมันแล้วก็วิรักได้งดเว้นได้นี่สีนหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาทาไมสมาธิจึงหนุนปัญญาได้เพราะสมาธิคือจิตสงบ